แต่ประสูตรนี่เป็นสูตรที่เรียกว่าสูตรพูดแบบภาษานี้หนักๆ ห, หน่อยบอกว่าเป็นสูตรที่เขี่ยสาติพิสูจออกจากศาสนานนะไม่ต้องการให้มีอำนาจแล้วก็บทบาทในในคณะสงฆ์เลยเนี่ยนะซึ่งเป็นการชำระมิจฉาทิฏฐิบุคคลเหล่านี้ออกไปเนี่ยนะเป็นการเรียกว่าไม่เปิดโอกาสให้คนชั่วมีอำนาจนั่นเอง เพราะฉะนั้นพระองค์เขาจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนอย่างว่ามหาโจรเมื่อเกิดในราชสมบัติของพระราชาก็เกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่มหาชนฉันใดก็เห็นไหมกษัตริย์บางเมืองเนี่ยนะกษัตริย์บางแควนเนี่ยที่มีมหาโจรอยู่ในภายในโจรอาจจะอยู่ในคราบของข้าราชการบ้างโจรอยู่ในคราบของผู้รับใช้ใกล้ชิดพระราชาบ้างในที่สุดโจรเหล่านั้นทําลาย ราชวง์เหล่านั้นเนี่ยนะทำลายวงกษัตริย์ทั้งหลายเหล่านั้นจนปนตี้หมดฉันใดสาติภิกษุก็เหมือนกันชื่อว่าเป็นโจรในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เกิดขึ้นเพื่อความทุกข์แก่มหาชนเนี่ยนะก็ถือว่าอันตรายมากๆเลยนะแม้ถ้าคิดว่าเอ่ยมาเป็นชื่อเราแทนเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนใชดีนะไม่ไม่เป็นชื่อเราชื่อพระสาติเนี่ยนะไม่ใช่ชื่อเรา มันก็ต้องระมัดระวังว่าความเห็นของเราเนี่ยคัดค้านต่อคําสอนหรือไม่เนี่ยนะว่าเราทํายังไงความเห็นของเราจริงจะเป็นไปตามคําสอนอย่าลืมว่าโอกาสที่เราจะรู้ผิดรู้ถูกเนี่ยนะถ้าไม่อาศัยคําสอนไม่อาศัยคําสอนแล้วหมดสิทธิ์เลยไม่ใช่ฐานะเราจะรู้ไหมว่าอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฐิถ้าไม่อาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้า เราจะรู้ไหมว่าสังกัดปะความคิดของเราเนี่ยมันคิดผิดหรือคิดถูกถ้าไม่อาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเรารู้ได้ยังไงว่าคำที่เราพูดเนี่ยมันพูดผิดหรือพูดถูกที่ทำอยู่เนี่ยมันทำผิดหรือทาถูกไอ้ที่ขยันเนี่ยขยันถูกหรือขยันผิดไอ้ที่ระลึกได้มันระลึกผิดหรือระลึกถูกจิตตั้งมั่นผิดหรือตั้งมั่นถูก วิธีการประพฤติปฏิบัติกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมของเราเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อสวรรค์นิพพานหรือปฏิบัติเพื่ออบายทุกติวินิบัตินรกถ้าไม่อาศัยคําสอนเนี่ยนะแล้วเอาอะไรเป็นตัวเป็นผู้ให้คะแนนผิดคะแนนถูกเป็นผู้ที่บอกผิดบอกถูกเพราะฉะนั้นผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเนี่ยนะถือพระพุทธว จ, จะนะของพระองค์เป็นสําคัญพรันอันนี้เราก็ต้องระวังว่าเรามีความเห็นอะไรที่ คลาดเคลื่อนจากคำสอนบ้างไหมถ้าเห็นเห็นถ้าว่าเห็นว่าคลาดเคลื่อนว่าตัวเองก็รีทายตัวเองก็ว่าปัดตัวเองไล่ตัวเองออกจากระบบของคำสอนซะไม่อย่างนั้นก็จะประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากเนยนะคือคือถ้าไม่พร้อมที่จะยอมรับนับถือก็ต้องถอนตัวเองออกไปก่อนที่เครียกว่าอะไรก่อนที่ความเลวร้ายทั้งปวงจะเข้ามาขนาดนั้นแต่ถ้าหากว่าตัวเองเนี่ยน้อมไปที่จะประพฤติปฏิบัติตาม พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพร้อมที่จะเจริญในาศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรที่เป็นความคิดผิดความเห็นผิดความเข้าใจผิดความรู้ผิดก็ไอ้ที่ผิดจะเก็บไว้ทําไมเนี่ย น, นะเพราะสิ่งใดที่ผิดสิ่งนั้นมีโทษสิ่งใดมีโทษโทษทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไปอย่าเห็นแก่ความอริสอร่อยเฉพาะหน้าเล็ก ๆ, น, ๆน้อยๆเลยเนี่ย น, นะอย่าเห็นแก่ลาบสาการะสรรเสริญเล็กน้อยเลยอย่าเห็นแก่ดอกไม้ที่ จะเหี่ยวเฉาอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเลยอย่าเห็นแก่อาหารที่พร้อมที่จะบูดเน่าไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเลยอย่าเห็นแก่ที่อยู่อาศัยที่เป็นอาหารของมดของปลวกเป็นอาหารของไฟเลยอย่าเห็นแก่ ชื่อเสียงจอมปลอมเป็นต้นเลยเนี่ยนะไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอะไรหรอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนดีพึงดูหมิ่นสิ่งเหล่านั้นเสียเพราะว่าโลกธรรมทั้งหลายเนี่ยนะถึงจะฝ่ายดีดีขนาดไหนโลกธรรมเหล่านั้นก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นซึ่งอย่างไรก็สิ้นไปเนี่ยนะอย่างไรก็เสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเหมือนตำแหน่งสมัยนี้ใช่เหมือนตำแหน่งยศตำแหน่งสมัยนี้มันมีอะไรยั่งยืนกันไหม เนี่ยนะแย่งกันมาว่าจะไปขึ้นนั่งเก้าอี้บางที่นี่ยใช่ไหมเสร็จแล้วก็ถูกไล่ถูกไล่แล้วก็น้ําตาไหลเนี่ยนะถูกเขาฉุดลากลงมาอีกคนนึงก็พยายามผลักดันตัวเองขึ้นไปนั่งเก้าอี้ตรงนั้นแล้วเขาก็ไปลากลงมาอีกอีกคนนึงก็แย่งกันไปนั่งเก้าอี้อันเดียวนั่นนะก็กว่าฉันใดเนี่ยนะไอ้สิ่งเหล่านั้นทั้งๆ ท, ท, ที่มันชั่วคราวว่างั้นแต่ว่าถ้าหากว่าคนที่แยกแยะสาระไม่ใช่สาระไม่เป็นเนี่ยนะพวกนี้ก็ใช้ชีวิตหมดไปอีก ชาติหนึ่งเนี่ยนะซึ่งผู้ที่ศึกษาคำสอนเนี่ยพึงระวังอีกอ่างหนึ่งว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาในโลกซึ่งชาตินี้เราเข้าใจผิดเดี๋ยวไปแก้เอาชาติหน้าก็ได้เนี่ยนะวันนี้เราเข้าใจผิดต่อต่อไปเดี๋ยวเราไปแก้เอาก็ได้รู้ได้ยังไงว่าชาติหน้าเราไปเกิดเป็นอะไรเพราะถ้าผิดพลาดตับปฏิสนธิปไปไหน่ น, นะ บางคนเขาบอกว่าอุย้ยบาปไม่เป็นไรหรอกแล้วใครจะรู้ว่าเราเข้าใจผิดแล้วใครจะไปตามทวงเอาจากเราสมมุติถ้าเราคิดผิดเข้าใจผิดเราก็กลบเกลื่อนตัวเองทําตัวเป็นคนดีซ่าอะไรซ่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็ยังอนุรักษ์ความผิดต่อไปแล้วใครจะมาเอาผิดอะไรกับเราก็าบอกว่าคุณดูถูกความคิดของคุณเกินไปอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับอุปนิสัยปัจจัยไม่มีอย่าดูถูกจิตตุ บ, บาต ท, ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจะไม่สร้างอันตรายอย่าดูถูกจิตตุ บ, บาตในปานาติบา อย่างคิดดูนะว่าอย่าดูถูกความความความผิดแม้แต่เล็กน้อยอย่างเช่นอย่าดูถูกดูหมิ่นเจตนาที่คิดฆ่านะอย่างอะไรวิทูตภาเนี่ยนะมันไส้สักยะมากบอกชาตินี้ต้องฆ่าสักยะให้ได้ความคิดตัวนั้นน่วแวบเดียวนั้นแหละ ในที่สุดตัวเองก็ตกอบายสู่อบายทุกปฏิวินิบัติแล้วก็ได้ฆ่าจริงๆด้วยแล้วก็ตกนรกจริงๆด้วยบางคนเนี่ยนะตั้งจิตไว้เพื่อจะคดโกงตั้งจิตไว้เพื่อกามีสุมิชฌาจารย์ในที่สุดความคิดเหล่านั้นสร้างความเสียหายให้มากมหาศาลเลยนะถ้าใครที่ศึกษาชาติดกมองชีวิตระยะยาวตลอดหลายๆชาติหลายๆร้อยหลายๆพันชาติเป็นต้นเพราะถ้าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยโอกาสที่จะทบทวนหัวนกลับคืนเนี่ยยากเล น, นะก็ามากําลังนึกถึงว่า ถ้าเราไปเกิดเป็นสุนัขแล้วเนะี่ยใครจะช่วยเราได้บ้างนะนะสมมุติถ้าเราจับพลัดจับผูมีความเห็นผิดแล้วไปเกิดเป็นสุนัขเนี่ยจบเลยถ้าไปเกิดเป็นหมูเข้าเอาเพราะทิฏฐิเนี่ยเป็นให้เกิดเป็นหมูเป็นสุกรเนี่ยนะเออแล้วใครจะแก้ทิฏฐิแก้เราได้สําเร็จเนี่ยถ้ามิจฉาทิฏฐิทําให้เราไปเกิดเป็นไก่เข้าเนี่ยนะอยู่ในฟาร์มอย่างดีเลยเนี่ยนะไม่ฉีดสารอะไรให้เราด้วยอาอไม่เร่งสารอะไรสักอย่างเลยเนี่ยนะ แก้ไขยังไงถ้าเราไปเกิดเป็นไก่ไเกิดเป็นสุนัขหรือเกิดเป็นปลาเนี่ยนะไปตกอยู่ในทะเลใหญ่เลยเนี่ยนะโอ้ไม่มีเขตแดนเลยต้องทำไงเดียวไปเกิดเป็นสัตว์น้ําหรือไปเกิดเป็นสัตว์บอกเป็นตัวพึ่งตัวแมลงหรือไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายเดรชานหรือไปเกิดในนรกเป็นต้นแล้วใครจะตามนะตามตาม เรียกว่าตามตกป้องคุ้มครองเราใชถ้าชีวิตในโลกนี้ธรรมดาเอาคนที่มีพ่อมีแม่ เ, เดี๋ยวพ่อแม่ก็ตามแก้ปัญหาให้แหละแต่เราเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนเราจะสร้างความเสียหายเดี๋ยวพ่อแม่ก็ตามแก้ปัญหาให้แหละนะหรือไม่เดี๋ยวคนโน้นจะรับผิดชอบเราคนนี้จะรับผิดชอบเราแต่ถ้าเราไปอาบายแล้วใครรับผิดชอบเราเพราะทุกคนมองเห็นเราเป็นเหยื่อหมดเนี่ยนะสมมุติถ้าหากว่าถ้าถ้าเราไปเกิดเป็นปลาพวกชาวประมงมองว่าเป็นเหยื่อหมด ถ้าเราไปเกิดเป็นเนื้อสัตว์มูสัตว์ในปาลาพรานปาเขาบอกว่านี่เหยื่อนี่อาหารของเราเนี่ยนะหรือไปเกิดเป็นอะไรทุกคนมองเราเป็นเหยื่อมองคนเป็นอาหารหรือเราไม่สงสารตัวเองเลยเนี่ยนะมันถ้าเราสงสารตัวเองเราก็ต้องมาเริ่มต้นที่ไหนครว่าบริร อ, อะไรนะประกันความเสี่ยงตัวนี้เอาที่ไหนดีนะทำยังไงจะรับประกันความเสี่ยงว่าเราไม่ไม่ผิดแน่นอนเลยเนี่ยนะตัวรับรองเลย ก็เนี่ยพุทธังสารนังฆาชามิพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยนะทำมังสารนังฆาชามิหรือสวากขาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วแสดงไว้ดีแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่พระองค์ตรัสสิ่งนั้นจะต้องเป็นเช่นนั้นตามที่พระองค์ตรัสอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งในสิ่งใดจะเป็นไปเพื่อทุกโทษพระองค์จึงป้องกันไม่ให้เราไปพลาดสิ่งใดเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขพระองค์จึงสอนให้เราประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้ได้รับประโยชน์และความสุขส่วนที่เหลือว่าเราจะหมายค่าว่ามั่นใจในพระพระตัตน์ไตรขนาดไหนมั่นใจในพระพุทธคุณขนาดไหนเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้านำเราออกจากทุกจริงได้หรือไม่เนี่ยนะแต่ถ้าเราขาดความมั่นใจเราไม่มั่นใจว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยเราได้คำสอนจะช่วยให้เราพ้นจากทุกได้เมื่อนั้นก็ตกจากพระพุทธศาสนาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเรียกว่าตกแล้วเรียกว่าคนอยู่คนละ ที่จริงผ้าระยะเนี่ยนะพระพ farhan ก็แปลว่าไกลาจากไกลาจากผู้ที่ไม่มีศรัทธาเป็นต้นเขาเหล่านั้นถึงจะนั่งอยู่ใกล้ชายจับชายสังคาติพระพุทธเจ้าเขาก็ชื่อว่าอยู่ไกลาจากพระพุทธเจ้าเพราะใจมันไกลกันมิชฌาทิิกับสัมมาทิฐิก็ไกลกันมิชฌาสังกัปกับสัมมาสังกัปก็ไกลกันนี่ก็เหมือนกันเนี่ยมาดูลักษณะของพระภิกษุสาติเนี่ยห่างไกลาจากพระพุทธศาสนาเป็นคนที่หมด โอกาสที่จะงอกเงยในพระพุทธศาสนาเลยแหละเนี่ยนะพระภิกษุเหล่านั้นก็เลยมุ่งจะไปแก้แก้สาติภิกษุเหตุผลที่ไปแก้เนี่ยนะหนึ่งยังกรุณาให้เกิดขึ้นในสาติภิกษุอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองแล้วก็คิดอีกว่าภิกษุสาตินี้ถ้าได้สมัครพักพวกแล้วหน้า194สาติภิกษุผู้มีความเห็นผิดอย่างนี้ถ้าได้สมัครพักพวกเมื่อไรทาลายพระพุทธศาสนาให้อันตรานไปเนี่ยนะ ทำลายอธิศีนที่พระองค์บัญญัติให้อันตรธานไปทำลายอธิจิตและอธิปัญญาที่พระองค์ภาคเพียรสร้างบารมีจน่ายตรัสรู้เนี่ยนะทำลายเกลี้ยงเลยแหละเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังเป็นความเห็นส่วนตัวอยู่นี้ น, นะยังไม่ได้สมัครพักพวกเมื่อไหร่ก็จะปลดเปลื้องเธอเหล่านั้นจากมิจฉาทิฐิทั้งหลายเหล่านั้น น, นะก็เลยเข้าไปเพื่อจะเปลื้องมิจฉาทิฐิทีนี้เมื่อเปลื้องสําเร็จไหม ไม่สาเร็จเนี่ยนะไปแก้ไขสาติภิกษุไม่สาเร็จเลยเมื่อภิกษุเหล่านั้นแก้ไขไม่สาเร็จแล้วทำไงดีในข้อ441หน้า169ภิกษุเหล่านั้นไม่อาจจะปลดเปื้องสาติภิกษุผู้เกวัตตบุตรจากทิฏฐิอันลามมกเหล่านั้นได้จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาสและก็นั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาติภพิสุผู้มีทิฏฐิอันเป็นบาปเห็นป่านี้ทิฏฐิอันลามกเห็นป่านี้เขามีความเห็นเกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงอันนี้ปฏิญาณว่าเขาตรัสรู้ธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจแล้วรู้แล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรใช่ไหม ว่าเขารู้ทั่วถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวเล่นไปไม่ใช่อื่นครั้งนั้นพวกข้าพระองค์ก็เข้าไปหาภิกษุสาติแล้วก็ถามว่าดูก่อนอวุโสสาติได้ยินว่าท่านมีทิฐิอันเป็นบาปเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวไปเล่นไปไม่ใช่อื่นดังนี้จริงหรือ เมื่อพวกข่าพระองค์ถามอย่างนี้สาติภิกษุก็บอกขากพวกข่าพระองค์ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวไปย่อมเล่นไปไม่ใช่อื่นดังนี้จริงอ่า น, นะก็ยอมรับอีกนะว่าตัวนี่มีความเห็นผิดนะนะแกะแต่แก้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้บอกรู้ไหมว่าผิดบอกรู้เปลี่ยนไหนให้เปลี่ยนรู้ไหมว่าโกรธไม่ดีแลิกโกรธได้ไหม อา้าวอ้าวอ้าก็ร่วมไม่ดีไม่ใช่เหรอประมาณนั้นนะสมว่าเคยเครียดบางเรื่องไหยเครียดดีไหมไม่ดีเอเลิกได้ไหมหไม่ได้มั้ง <c oughs> น, น, นะก็เหมือนกับพวกยาเสพติดเนี่ยบอกพวกขี้เมาทั้งหลายรู้ไหมว่าเล่าไม่ดีรู้เนี่ยนะเลิกไหมเอาไว้ก่อนคุณรู้ไหมบุหรี่มไม่ดีรู้เลิกไหมเอาไว้ก่อนเนี่ยนะมันก็ยังหอมอยู่น่าเ น, นี่ย น, นะก็ยังเรียกว่าเห็นกําไรที่มาจากการสูบบุหรี่เป็นต้นเนี่ยนะ เห็นว่าเพอร์เจอร์ดีไหมเออไม่ดีทำไมอะชอบเหมือนกันนะมันก็อย่างงี้แหละมันยากนะมิจฉาทิถีนี่แหมอะไรจะเมามันเท่ากับมิจฉาทิถีไม่มีอีกแล้วมันแหมมันเพลิดเพลินมันเรียกว่ามันรกชัดแรงมากเลยแหละทีนี้ก็เลยถึงไปสอบถามแล้วก็แก้ไขไม่สำเร็จทีนั้นพวกข่าพระองค์ปรารถนาะจะปลดเรื่องอ น, นะมิจฉาติ ภิกษุจากมิจฉาทิฏฐิจึงซักไซไล่เลียงสอบส ว, วนว่าท่านสาติท่านจะได้กล่าวอย่างนี้ท่านจะได้กล่าวตูพระผู้มีพระภาคเจ้าการกล่าวตูพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยดูก่อนท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยประชุม ก, กันเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วโดยปริยายเป็นอันมากการเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเว้นจากปัจจัยไม่ได้มีเมื่อพวกข้าพระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาติภิกษุอันข้าพระองค์สักไสไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ก็ยังยืนยันยืดมั่นอยู่ในมิจฉาทิฏฐินั้นอย่างรุนแรงแล้วก็ยังกล่าวอยู่ว่าผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าย่อมรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้ววิญญาณ น, นี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวไปเล่นไปมิใช่อื่น ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อพวกข้าพระองค์ไม่อาจจะปลดเปรื่องสาติภิกษุอัลามกนั้นจึงมากราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าถือว่าเรื่องใหญ่มากนะเพราะว่าเพราะอะไรทำไมจึงใหญ่ถึงก็ต้องกราบานะกราบทูลให้พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็ประชุมประชุมสาวกเลยนะประชุมสาวกเพื่อที่จะแสดงเรื่องนี้เลยเพื่อจะแก้ทิฏฐิอันนี้เพราะเหตุผลว่าภิกษุสาติเนี่ยนะไปแสดง ไปพูดในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ตรัสเป็นการประหารชินจักคัดค้านเวสารชยานเป็นการาแสดงให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจผิดพลาดเป็นการกีดขวางทางแห่งอริยะเป็นการปฏิบัติเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่มหาชนเปรียบเหมือนมหาจนที่เกิดในราชสมบัติเกิดขึ้นเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่ มหาชนฉันใดโจรในคำสอนคือสาติเนี่ยเป็นเช่นกับโจรในคำสอนเกิดขึ้นก็เพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่หมู่มหาชนฉันนั้นเนี่ยนะ